ขามพกาตะวักสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินเท้าสะเอวไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต